ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคัมภีชีนาลังการะดีกาแปลพระพุทธคีตอาจารย์ชาวศีลังกา ร, รจนาคัมภีที่แสดงอลังการทางอักษรศาสตร์บทที่แสดงความอลังการต่อต่อไปอาดิปาะยะมกแสดงอักษรต้นบาทเป็นคู่กัน ตัวอักษรเหมือนกันมีความหมายเหมือนกันบ้างต่างกันบ้างเช่นอุมมาระอุมมาระคตุดทิตตวาปะดังปะดังยาตนะราะระสะพัสสะอลังอลังการตะตรนะคันตุงมาตีมตีเมติ ม, ตมนานังคะพังเคเมื่อเรายกพระบาทที่ประทับอยู่ที่ธรณีประตูสถานที่ขับไล่มาร ไปเพื่อทำที่พระอริยะเข้าถึงอย่างคนที่องอาจคิดว่าควรจะไปด้วยแพรอลังการเป็นไปอย่างแรงกล้าเพื่อทำลายความตำหนัดของเราในสถานีอักษรต้นบาททั้งสี่บาทซ้ากันแต่ความหมายต่างกันบาทแรกคืออุมมาระอุมมาระแปลว่าธรณีประตูสถานที่ขับไล่มารอุมมาระคำแรกแปลว่าสถานที่ขับไล่มาร ท, ท่านอธิบายว่าอุทธริตโตอุปาติโตมาโรเอถาติอุมมาโรแปลว่ามานถูกยกขึ้นคือถูกฉุดออกไปที่ตรงนี้เหตุนั้นที่ตรงนี้จึงชื่อว่าอุมมาระต่วนอุมมาระคตุทธริตวาแยกคำออกแล้วดึงคำว่าประดังจากบทที่สองมาไว้กลางเป็นอุมมาระคตังประดังอุทธริตวาแปลว่า ทรงยกพระบาทที่ประทับอยู่ที่ธรณีประตูบาทที่สองก็คือปดังปดังยาตะราสัพัสะปดังวอดแรกถูกดึงไปรวมกับบาทแรกก็เหลือปดังยาตะนราสะพัสะแยกเป็นปดะหมายถึงพระนิพพานดังคำที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าสันตังปดังอัชชาได้บรรลุนิพพานอันสงบสันตังปดันตินิบานัง ที่บทหมายถึงนิพพานเ พ, าเพราะวิเคราะห์ว่าอริเยเหิปัจชะตับบัตตาคันตับบัตตาประดังยาตะแปลว่าเสด็จไปนราสะัสสะแปลว่าอย่างคนที่องอาจซึ่งท่านก็ได้อธิบายไว้ในคำพ์น้แล้วว่าประดังยาตะนราสะพัสาตินิบานัทายะขตะนราสะพัสสะนรุตตมัสสะ แปลว่าคําว่าเสด็จไปเพื่อทำที่พระอริยะเข้าถึงอย่างคนที่องอาจหมายถึงเสด็จไปอย่างคนที่องอาจคืออย่างคนที่สูงสุดเพื่อพระนิพพานประดังคําแรกหมายถึงพระบาทประดังคาหลังหมายถึงพระนิพพานส่วนบา ท, ที่สามก็คืออัลลังอัลังการตะตเรนะคันตุงแปลว่าควรจะไปด้วยแผ่อรังการ อลังคำแรกแปล ว, ว่าควรอลังคำหลังนั้นคำเต็มเป็นอลังการหมายถึงเครื่องประดับซึ่งท่านได้อธิบายว่าหมายถึงเครื่องอลังการที่แสดงรูปเปรียบบอกสภาวะเป็นต้นบาที่สี่มตีมตีเมติมนังทะพังเคแปล ว, ว่าเรามีความคิดในการตัดความรักเป็นไปอย่างแรงกล้าแยกคำออกเป็นมัตีเมอติเอติเมอัมนังทะพังเค มัตีิคำแรกหมายถึงความคิดมัตติเมแปลว่าเราคิดมัตติคำต่อมาแยกเป็นเมอติเมแปลสัมพันธ์กับมัตติคำแรกอติแปลสัมพันธ์กับเอติแปลว่าเป็นไปอย่างแรงกล้าเมอนังคะพังเคเพื่อปัดความรักของเราบทต่อไปรติงระติงกา ม, มาคุเนวิเวเกอลังอลัง เววิจินตยันโตมนังมนังคาระยะสัมปดาละยังตะหิงตหิงดิษฐิปลาวะปกกมิพระมหาบุรุษทรงดรํมฤตถึงความยินดีในกามคุณความยินดีในวิเวกว่าอย่าเลยดีแน่อย่าเลยความยินดีในกามคุณดีแน่ความยินดีในวิเวกตรงทําลายความอาลัยในความรักจากใจหลีกไป ดุจหญิงสาวเห็นงูนั้นในที่นั้นแล้วอ่อนแรงกลัวในคาถานี้อักษรต้นบาททั้งสี่บาทซ้ำกันมีความหมายเหมือนบ้างต่างกันบ้างรติงรติงคู่แรกแปลว่าความยินดีเหมือนกันอลังอลังคู่ต่อมาความหมายต่างกันอลังคำแรกแปลว่าอย่าเลยคำที่สองแปลว่าดีแน่หรือดีละ มะนางมะนางคู่ที่สามมะนางคำแรกท่านอธิบายเป็นมะเนะแปลว่าจากใจมะนางคำหลังเป็นมะอาคมลงที่คําว่าอนางคะเป็นมนางคะมะไม่มีความหมายเป็นคําที่ทําให้สละกสลวยทุนนั้นความหมายอยู่ที่อนังคะความรักอาระยะความอาลัยสัมปดาระยะทําลายสมารถกันเป็นอนังคาระยะ สัมปดาระยังแปลว่าทำลายความอะไรในความรักแต่หิงแต่หิงคู่ที่สี่แต่หิงคำแรกเป็นนิบาศแปลว่าในที่นั้นแต่หิงคำหลังแยกออกเป็นตังอหิงแปลว่าซึ่งงูนั้นติปาดาบายาสะยะมะกะแสดงคำซ้ำกันไม่มีคำอื่นแทรกสามบาท เป็นข้อความเหมือนกันทุกตัวอักษรสามบาทแต่ความหมายต่างกันตถาคตัเฉระมโะหสิตัสะทถาหิมาโรปิตะดาหาสันติงทถาหิมาโรปิตะดาหาสันติงทถาหิมาโรปิตะดาหาสันติงการไปอย่างนั้นของท่านผู้เยือกเย็นจริงอย่างนั้น ความสงบจากความเร่าร้อนที่พระมหาบุริตรทรงสร้างขึ้นจริงอย่างนั้นแม้มานก็กล่าวถึงความสงบในครั้งนั้นจริงอย่างนั้นพระมหาบุรุษมีได้ทรงยกความรื่นเริงขึ้นในครั้งนั้นจริงอย่างนั้นบาที่สองสามสี่มีข้อความเหมือนกันตถาหิมาโรปิตะดาหะสันติงบาที่สองตถาหิจริงอย่างนั้นหรือจริงดังที่ว่า มาโรปิตะดาหะสันติงแยกคำเป็นอารโรปิตะที่ทรงสร้างขึ้นมาคือที่ทรงยกไว้ในพระทัยดาหะความเร่าร้อนสันติงความสงบคือความสงบที่ทำให้ความเร่าร้อนคือกิเลส ท, ทั้งปวงความทุกข์ในการเวียนว่ายตายเกิดถึงความพินาศไปเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์หรือเป็นเรื่องจริงอย่างนั้นบา ท, ทิสามมาโรปิตะดาหะสันติง แยกคำเป็นมาโรปิไฟมานคือ ว, ะะวัสวัตดีมานตด า, ดาอาหานติงก็กล่าวถึงความสงบของพระมหาบรุษในครั้งนั้นคือ ว, ะะวัสวัตดีมานได้เคยขัดขวางไม่ให้เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกพนวดเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกพนวดแล้วก็ยังติดตามก่อกวนดังควานเมื่อเจ้าชายสิท ธ, ธตัตถะตรัรู้เป็นพระพุทธเจ้า วสวสดีมานไม่สามารถจะเอาเจ้าชายศิตธจตะให้อยู่ในอำนาจของตนก็ได้กล่าวพรรณนาคุณของพระพุทธเจา้ามาทิส่4มาโรปิตะดาหะสันติงแยกคำเป็นมาอโรปิมีได้ยกขึ้นตดาหะสันติงซึ่งความร่าเริงในครั้งนั้นคือเมื่อทิดามานมายั่วยวนพระพุทธองค์ในช่วงหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้แล้ว พระองค์ก็มิได้ใจพระไทยการที่ทิดามาแสดงการยั่วยวนอย่างร่าเริงดุกระพันธนะมหายมกะแสดงคำที่กล่าวซ้ำกันจำนวนมากเชื่อมความได้ยากเป็นข้อความที่เหมือนกันทั้งสี่บาทแต่ความหมายเหมือนกันบ้างต่างกันบ้างดังข้อความว่าสากาะมดาตาวินยามานันตะคู สักกามดาตาวินยามานันตะคูสักกามดาตาวินยามานันตะคูสักกามดาตาวินยามานันตะคูก็ความเหมือนกันทุกบาทเลยพระมหาบุุษทรงให้พร้อมกับสิ่งที่น่าใคร่ทรงถึงที่สุดแห่งใจเพราะทรงฝึกฝนพระมหาบุุษทรงให้สิ่งอันเป็นที่รักของพระองค์ ทรงบรรลุถึงความสําเร็จแห่งพระอัจฉิยาศัยตามในพระมหาบุรุษไม่ทรงให้กิเลสที่น่าใคร่เข้าไปในสันดานของพระองค์ทรงบรรลุถึงผลสําเร็จตามข้อปฏิบัติพระมหาบุรุษทรงบรรลุผลสูงสุดทรงให้ติ่งอันเป็นที่รักของพระองค์ด้วยทรงแนะนําสั่งสอนบาที่หนึ่งสกามะดาตาวินยามนันตคูพระมหาบุรุษทรงให้พร้อมกับสิ่งที่น่าใครา ทรงถึงที่สุดแห่งใจคือปณิธานตามพระอัจฉริยสายสกามดาตาแยกคำเป็นอัตโนปิยะวัตถุหิสัตถิงอังคันจชีวิ ต, ตัญจดาตาทรงให้พร้อมกับสิ่งที่น่าใครหมายถึงทรงให้อวัยวะและชีวิตกับสิ่งของอันเป็นที่รักของพระองค์มนันตะคูทรงถึงที่สุดแห่งใจอนุปาชาปริณิบาณังคโต คือทรงถึงอนุปาธาปรินิพานอัจฉสิยะนิฐานางวาคโตคือทรงถึงความสาเร็จตามพระอัจฉริยสยวิญยาพระทรงฝึกฝนกายาวจีมโนกรร ม, มานางวิโสธนเหตุคือทรงชาระกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมให้หมดจดบาที่สองสกามดาตาวินย า, านันตะคูพระมหาบุุษทรงให้สิ่งอันเป็นที่รักของพระองค์ ทรงบรรลุถึงความสําเร็จแห่งพระอัจฉริยสายตามในสกามดาตาทรงให้สิ่งอันเป็นที่รักของพระองค์แยกคําเป็นสัปปสัตตานังกามดาตาอิจิตดาตาทรงให้สิ่งที่น่าใครคือทรงให้สิ่งที่ตัดทั้งปวงปรารถนาแล้ววิญญาณมนาตะคูทรงบรรลุถึงความสําเร็จแห่งพระอัจฉริยสายตามในท่านอธิบายว่า สัตตะติงสัโพธิปัจกิยธรรมเมปูเรตวามะคะปติปาติยาคันตวามนันตะคูอาโหสิัจชาสยะนิฐานังปัตโตทรงบรรลุถึงที่สุดแห่งใจคือทรงบรรลุความสำเร็จตามอัทยาศัยไปตามลำดับแนวทางที่ทรงบำเ พ, พ็ญโพธิปัจกิยธรรมสามเจ็ประการมาที่สามสกามดาตาวิญยาณนันตคู พระมหาบรุษไม่ตรงให้กิเลสที่น่าคราเข้าไปในสันดานของพระองค์ตรงบรรลุถึงผลสำเร็จตามข้อปฏิบัติสกามดาตาท่านอธิบายเป็นสองในคือในแรกกามตัิหายะสัตทิงข้อความละสกระลระสังกิเลสะปั ก, กิเยธรมเม่ข้อความละวินาเสตาทรงทำลายธรรมที่เป็นฝ่ายแห่งสังกิเลทั้งสิน้นให้พินาศ ในที่สองท่านอธิบายว่าสัตละสังกิเลสธรรมานังสะอา ต, ตโนสันตาเนปวิสิตุงอดาตาไม่ทรงให้สังกิเลสทั้งสิ้นเข้าไปในสันดานของพระองค์วินยามะานาันตคูทรงบรรลุถึงผลสาเร็จตามข้อปฏิบัติท่านอธิบายว่าปฏิปัชชนโตติดโสวิชาโย ο, สัชิกโรนโตสวาสนังสานุสยัง อนังคะพังคังกิตวาอรหัตตะเรนะอนุสยังปติปสัมเพตวาอนันตะคูอโหสิทรงปฏิบัติคือทรงทาให้แจ้งวิชาสามประการทรงทาลายการมราคะพร้อมทั้งวาสนาพร้อมทั้งอนุสัยและทรงระงับอนุสัยด้วยอรหัตผลแล้วได้ทรงถึงที่สุดแห่งใจบาที่สี่สตามดาตาวินยาณตคู พระมหาบุรุษทรงบรรลุผลสูงสุดทรงให้สิ่งอันเป็นที่รักของพระองค์ด้วยทรงแนะนำสั่งสอนท่านอธิบายว่าป ต, ตะสับบรรยุตตัญญาโนภควาวิญยาณันานิยาวัตตาดิวิวทัณยากามดาตาอโหสิเวเนยะชนานังอจิตตปธิตาดาตาอโหสิพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบรรลุพระสัพพยุตยาแล้ว ได้ตรงให้สิ่งที่น่าใครคือได้ตรงให้สิ่งที่เวนายชนทั้งหลายต้องการและปรารถนาด้วยการแนะนำคือด้วยการแนะนำด้วยนันพิยาวัตตะในเป็นต้นพระพุทธรักษ์ิจาจารย์สามารถประพันธ์คาถาแสดงพระพุทธคุณแบบเล่นอักษรตัวเดียวโดยไม่มีอักษรอื่นปะปนเรียกว่าณการพยัญชะนตะตตตริกา คาถาที่ชุมนุมพ ย, ยัญชนะคือนอกักอักษรดังนี้โนนานิโนหนานนานินาเนนานิหนานิโนนนาเนนานินุนันนานาณันนาเนนาโนพระผู้มีพระพคุณเจ้าของเราทั้งหลายผู้ทรงนำพาหมูฉัดมีชีวิตไม่ทรงมีสิ่งที่บกพร่องเป็นสิ่งที่เสียหายแน่แท้ มหาเทพผู้มิใช่ของพวกเราผู้นำพาหมู่สัตว์มีชีวิตไปยังนำความเสียหายออกหาไม่ได้ไม่มีอะไรที่จะนำมากล่าวให้เสมอเหมือนกับพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายโนนานิโ no, น no. ตัดบทเป็นโน no. ของเราทั้งหลายอะนาหมู่สัตว์ผู้มีชีวิตอานานิ ani, ผู้ทรงนำพานานิโน พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนำพาหมูสัตว์มีชีวิตไปคือทรงนำพาให้รู้ถึงนิพพานณนูนา น, น, านิตัดบทเป็นณนนุแน่แท้ได้แก่โดยแน่นอนอูนานิสิ่งที่บกพร่องคือที่ไม่เต็มได้แก่ที่ไม่บริบูรณ์อเนานานิสิ่งที่เสียหายไม่มีแน่นอนแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายคือของพวกเราถ้าคุณทั้งปวงถึงพร้อมแล้ว ก็ความตอนท้ายบาทที่สองกับบาทที่สามว่าณ น, นานิโนตัดบทเป็นณมิใช่ของพวกเราอนานิโนมหาเทพผู้เป็นใหญ่ของชาวโลกทั้งหลายนำพาหมูสัตว์มีชีวิตไปนุนนาเนนานินูณูนั น, น, า น, า น, น, นนะตัดบทเป็นนุนานานิเอานานินูนังสิ่งที่เสียหายคือเป็นโทษ อันมหาเทศนั้นยังไม่ได้ขับออกแล้วยังไม่ได้บรรเทาแล้วยังไม่ได้ทำให้สิ้นไปแล้วแน่นอนนาณันนาณเนโนตัดบทเป็นนังอาณังนนปากนั้นนาอาณเนนโนเทียบไม่ได้กับด้วยโ อ, โอดของพระผู้มีพระพาเจ้าของพวกเราเพราะบุคคลผู้เป็นใหญ่นั้นไม่มีการขับความชั่วออกฉะนั้น ปากจะเป็นปากปกติหรือว่าปากที่กล่าวคือศีลเป็นต้นหรือเทศนาที่เปล่งออกจากปากนั้นของบุคคลผู้เป็นใหญ่นั้นที่จะเสมอเหมือนกับพระโอษของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นใหญ่ของเราทั้งหลายย่อมไม่มีข้อความที่กล่าวมานี้เป็นเพียงตัวอย่างแห่งบทประพันธ์ที่อลังการของพระพุทธรักขิตาอาจารย์ซึ่งความจริงคาถาทุกคาถาที่ตั้นประพันธ์ประกอบด้วยอลังการทั้งนั้น นอกจากจากอลังการแล้วยังแปลยากคำพีแสดงพุทธประวัติคำพีรที่แสดงเรื่องการบำเพ็ญบา ร, รมีในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าจนจุติลงมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าประกาศพระศาสนาและดับขันธปรินิพานนั้นส่วนมากเป็นคำพีที่พระสาวกรุ่นหลังแต่งขึ้นโดยรวบรวมข้อมูลจากพระไตรปิฎกและอัตถกถา ที่รู้จักกันดีในประเทศไทยก็มีปฐมสมโพธิปถาและพุทธประวัติสามเล่มที่ใช้เป็นแบบเรียนนักธรรมต่อมาท่านผู้ทรงคุณวุฒิเรียบเรียงขึ้นอีกเช่นพุทธประวัติปริทัศน์ของพระธรรมโกษาจารย์ชอบอนุจารีเรียบเรียงแบบปฐมสมโพธพุทธประวัติจากพระโอสถของพุทธทาภิคู ซึ่งผู้เรียบเรียงเก็บข้อความจากพระไตรปิฎกรวนไม่มีข้อความจากอัตกถาและถ้อยคำของผู้เรียบเรียงประปนเฉพาะข้อความที่ได้จากคมภีพระไตรปิฎนั้นจะไม่ค่อยมีเรื่องชีวิตครองคราวาสของเจ้าชายสิ็ทัตะและรายละเอียดปลีกย่อยเรื่องดังกล่าวพระสราวกทั้งหลายจะรวบรวมไว้ในอัตกถาชีวิตครองคราวาที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไวในคมภีพระไตรปิฎมีเพียงสั้น คือเรื่องพระนามของพระบิดาพระมารดาและนครของพระองค์เรื่องที่พระองค์ทรงมีประสาทสามหลังเรื่องที่พระบิดาทรงโปรดกล่าวให้ขุดสัก์เรื่องคนในพระราชวังของพระองค์พระองค์ทรงเล่าเรื่องพระนามของพระบิดาพระมารดาและนครของพระพุทธเจ้าในอดีตให้พิสุททั้งหลายฟังแล้วทรงเล่าเรื่องของพระองค์ให้ฟังต่อว่าเรามีพระเจ้าสุดทนนะเป็นพระบิดา พระนางมายาเทวีเป็นพระมารดาผู้ให้กำเนิดนะครกรบิตพัทเป็นราชธานีพระองค์ทรงเล่าเรื่องการครองคารวาสของพระองค์ให้มาคาันธยะปริพาชกฟังปรากฏอยู่ในมาคาันธยะสูตรตอนหนึ่งว่ามาคาันธยะเมื่อก่อนเราเป็นเครสะหัดครองเรือนเป็นผู้เอิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยการมาคุณห้าประการมาเรอตนอยู่ด้วยรูปที่รู้แจ้งทางตาด้วยเสียงที่รู้แจ้งทางหู ด้วยกลิ่นที่รู้แจ้งทางจมูกด้วยรสที่รู้แจ้งทางลิ้นที่น่าปราถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนักมาคันดิยะเรานั้นมีปราสาทอยู่ถึงสามหลังคือปราสาทหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูฝนปราสาทหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูหนาวปราสาทหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูร้อน เรานั้นไม่มีบุรุษเจือปนมีแต่สตรีคอยบำเบอขับกล่อมดนตรีอยู่ในปราสาทเป็นที่อยู่ในฤดูฝนตลอดสี่เดือนไม่ได้ลงจากปราสาทเลยเรื่องนี้ที่ทราบกันในพุทธประวัติก็เป็นเรื่องที่พระเจ้าสุดโทธนะมหาราชทรงโปรดกล่าวให้ในายช่างสร้างปร า, าสาทสําหรับเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะประทับประจําในสามฤดูกาลเรื่องในชีวิตครองกรารวาาของเจ้าชายสิทธัตถะ ในคัมภีร์ชินาลังการะดีกาเล่ม น, นี้ได้เล่ารายละเอียดไว้อย่างพิสดารซึ่งเรื่องนี้พระพุทธองค์ทรงเล่าเฉพาะประเด็นสําคัญแล้วพระสาวกทั้งหลายได้รวบรวมไว้ทรงจําสืบต่อกันมาปรากฏอยู่ต่างแห่งกันในคัมภีร์พระไตรดีดกรายละเอียดจะปรากฏอยู่ในคัมภีอัจฉริยะสำหรับในอัจถริยที่อธิบายข้อความมาคานิยะสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงเล่าเรื่องของพระองค์ เพียงสังเกตตอนนี้ได้อธิบายรายละเอียดเรื่องปราสาทและสิ่งของเครื่องใช้ไว้ว่าปราสาทที่ประทับอยู่ในฤดูฝนไม่สูงไม่ต่ำเกินไปประตูหน้าต่างไม่น้อยไม่มากเกินไปพรมปูพื้นเครื่องลาดพื้นของเคี้ยวของบริโภคจัดไว้คระกันปราสาทที่ประทับอยู่ในฤดูหน า, าวเสาและฝาอยู่ต่ำบานประตูหน้าต่างมีน้อยมีช่องเล็ก เอาลูกกลองที่ติดฝาออกเพื่อให้ความอุ่นเข้าไปปลอมปูพื้นเครื่องลาดพื้นเครื่องนุ่งหม่มเป็นผ้าขนสัตว์ที่ช่วยให้อบอุ่นของเคี้ยวของบริโภคละเอียดอ่อนและมีรสเข้มข้นปราสาทที่ประทับอยู่ในฤดูร้อนเสาและฝาอยู่สูงมีประตูหน้าต่างมากแสงสว่างสาดส่องไปทั่วปลอมปูพื้นเครื่องลาดพื้นเป็นผ้าเนื้อดี ของเคี้ยวของบริโภคมีรสหวานทำให้ได้รับความเย็นที่บริเวณใกล้หน้าต่างปราสา์ตั้งอ่างไว้9ก้าอ่างใส่น้ำเต็มปลูกบัวเขียวไว้ทำเครื่องยนต์พัดน้ำไว้มีสายน้ำพุ่งกระจายเหมือนฝนตกโปรยปลายเฉพาะที่ประทับส่วนพระองค์ของพระโพธิสัตว์เขาปลูกกอบัวเขียวไว้ในหม้อทองคาและหม้อเงินอย่างละร้อยแปดหม้อซึ่งใส่น้าหอมเต็ม ตั้งล้อมห้องบรรทมเขาใส่เปลือกตรมหอมเต็มกระถางโลหะใบใหญ่ลูกบัวเขียวบัวแดงบัวขาวตั้งไว้รอบบริเวณเพื่อให้อาตาศดีดอกบัวทั้งหลายต้องรัศมีดวงอาทิตย์ก็เบ่งบานหมู่แมลงผู้นานาชนิดบินเข้าไปยังปราศาสเที่ยวสูดน้ำหวานในดอกบัวทั้งหลายปราศาส์มีกลิ่นหอมเย็นยิ่งนักในระหว่างฝาคู่เขาได้แขวนหลอดโลหะแล้วถึงตาข่ายช่องเล็ก ไว้บนยอดมนตบแก้วที่ลานดาดฟ้าบนประสาทเก้าชั้นเขาขึงหนังกระบือแห้งไว้ในที่แห่งหนึ่งในเวลาพระโพธิษัท์ทรงเล่นน้ำเขาทอดลูกหินไปที่หนังกระบือมีเสียงดุดเมฆคำรามพวกเขาช่วยกันหมุนเครื่องยนต์ด้านล่างน้ำพุ่งกระจายขึ้นไปตกลงเหนือตาข่ายเป็นดุดน้ำฝนตกลงมาในครั้งนั้นพระโพธิสัต์ทรงนุ่งห่มผ้าเขียว ทรงประดับเครื่องประดับสีเขียวพวกบริวาร น, นักฟ้อนรำสี่หมื่นนางประดับเครื่องประดับสีเขียวแต่งตัวสีเขียวรูปไร้ด้วยสีเขียวแวดล้อมพระมหาบุรุษพากันไปยังบนต์ดอกแก้วพระโริสัต ท, ทรงเล่นน้ําตลอดวันเสวยความสุขจากความเย็นชำ่ำในทิศสั้งสีของกระส า, ามีสระอยู่สีสะในตอนกลางวันฝูงนกหลากสี บินขึ้นจากสะด้านทิศตวันออกร้องเสียงระงมไปสู่สะด้านทิศตะวันตกผ่านยอดปราสาทบินขึ้นจากสะด้านทิศตะวันตกไปสู่สะด้านทิศตะวันออกบินขึ้นจากสะด้านทิศเหนือไปสู่สะด้านทิศใต้บินขึ้นจากสะด้านทิศใต้ไปสู่สะด้านทิศเหนือเป็นดุดสมัยในระหว่างฤดูฝนส่วนปราสาทที่ประทับอยู่ในฤดูหนาวมีห้าชั้นปราสาทที่ประทับอยู่ในฤดูฝนมีเจ็ดชั้น ไม่ใช่แต่นักดนตรีเท่านั้นที่ไม่มีบุรุษเจือปนพื้นที่ทุกแห่งก็ไม่มีบุรุษเหมือนกันคนเฝ้าประตูก็เป็นผู้หญิงผู้ทําบริการอาบน้ําให้เป็นต้นก็เป็นผู้หญิงพระเจ้าสุดโทธทนะทรงจักให้พวกผู้หญิงทํำกิจทุกอย่างด้วยทรงดําริที่จะไม่ให้พระโพธิสัตว์เกิดความเครือนแคลงเพราะเห็นบุรุษขณะเสวยอิทริยัสมบัติและสุขะสมบัตินั้น คำพีดีกาที่อธิบายอาจจกถามาคำที่ยาสูตรข้อความตอนนี้ได้ขยายความขนาดของปราสาทเพิ่มเติมว่าปราสาทที่ประทับอยู่ในฤดูฝนจะไม่ตูงเหมือนปราสาทที่ประทับอยู่ในฤดูร้อนจะไม่ต่ำเหมือนปราสาทที่ประทับอยู่ในฤดูหนาวจะไม่ตูงไม่ต่ำเพราะมีลักษณะปานกลางของปราสาททั้งสองนั้นประตูหน้าต่างของปราสาทที่ประทับอยู่ในฤดูฝน ก็ไม่น้อยเหมือนประตูหน้าต่างของปราสาทที่ประทับในฤดูหนาวไม่มากเกินไปกว่าประตูหน้าต่างของปราสาทที่ประทับอยู่ในฤดูร้อนที่ว่าของเคี้ยวของบริโภคในปราสาทที่ประทับอยู่ในฤดูฝนระกันคือระกันดังที่กล่าวในฤดูหนาวและฤดูร้อนที่ต้องการให้ความอบอุ่นเข้าไปคือเขาทําช่องไว้ที่ฝาด้านขวาเพื่อให้ไออุ่นจากแสงอาทิตย์ สาตรส่องเข้าไปทางช่องเครื่องยนต์พัดน้ำคือมีเครื่องจักรยนต์หมุนวักน้ำนอกจากนี้พระองค์ทรงเล่าเรื่องที่พระราชบิดาทรงโปรดเจ้าให้ขุดสะและเรื่องประสาทสามหลังให้พิษุททั้งหลายฟังว่าภิกษุททั้งหลายเราเป็นผู้สุขุมรารชาตเป็นผู้สุคุมารชาตอย่างยิ่งเป็นผู้สุขุมรารชา ต, อ ย, ายาชาตอย่างยิ่งยวดได้ทราบว่าพระราชบิดารับสั่งให้ขุดสะโบครณี คือสะบัวไว้เพื่อเราภายในที่อยู่ได้ทราบว่าพระราชบิดานั้นรับสั่งให้ปลูกอุบลนไว้ในสะหนึ่งปลูกปุมไว้ในสะหนึ่งปลูกบุญธริกคือบัวขาไว้ในสะหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่เราเราไม่ได้ใช้เฉพาะไม้จัน์แคว้นกาสีในเมืองพาราณสีเท่านั้นผ้าโพกของเราก็ทำในแคว้นกาสีเสื้อก็ทาในแคว้นกาสีผ้านุ่งก็ทาในแคว้นกาสีผ้าห่มก็ทาในแคว้นกาสี ทั้งคนรับใช้คอยกั้นสเสวติตฉตดให้เราตลอดวันและคืนหวังจะไม่ให้หนาวร้อนทุรีย่าหรือน้ำค้างกระทบตัวเราเรานั้นมีประสาทอยู่ถึงสามหลังคือประสาทหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูฝนประสาทหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูหนาวประสาทหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูร้อนเรานั้นไม่มีบุรุจือปนมีแต่สตรีคอยบำเดอขับลอมดนตรี อยู่ในปร า, าสาทเป็นที่อยู่ในฤดูฝนตลอดสี่เดือนไม่ได้ลงจากปร า, าสาทเลยก็แลในที่อยู่ของคนเหล่าอื่นเขาให้ข้าวปนข้าวหักมีน้ำผัก ด, ดองเป็นกับแก่ทาตคนงานและคนรับใช้ฉันใดในนิเวศของพระราชบิดาของเราก็ฉันนั้นเหมือนกันเขาให้ข้าวสาลีตุกผสมเนื้อแก่ทาตคนงานและคนรับใช้ พระพุทธองค์ทรงบอกชื่อเมืองชื่อพระบิดาพระมันดาชื่อพระมเหสีและพระโอรสของพระองค์ไว้ว่านครของเราชื่อกบิรพั์พระเจ้าสุทโทชนะเป็นพระบิดาของเราพระมันดาบังเกิดเก้าของเราชาวโลกเรียกพระนามว่ามายาเทวีเราครองคารวาดอยู่ยี่สิบเก้าปีมีปราสาทที่อุดมอยู่สามหลังคือสุจันทะปราสาทโกกนุตพระปราสาท แค่โกนจกปร า, าสาทมีนางสนมกำนันสี่หมื่นนางล้วนประดับประดาสวยงามพระมเหสีของเราชื่อว่ายาโสธราพระโอรสของเราชื่อว่าราหุลอัตถกถาพุทธวงศ์ที่อธิบายข้อความตอนนี้ได้อธิบายขยายความว่าปราสาทที่อยู่ในฤดูฝนสูงเก้าชั้นปราสาทที่อยู่ในฤดูหนาวสูงเจ็ดชั้นปราสาทที่อยู่ในฤดูร้อนสูงห้าชั้น มีสตรีนักป้อนรรามสี่หมื่นนางพระนางยโสธราเป็นมเหสีของเราประวัติชีวิตของคารวะของพระพุทธองค์ที่ทรงเล่านั้นมีเพียงเท่านี้คือเรื่องที่พระบิดาทรงโปรดให้ขุดจกสร้างปราสาทนอกนั้นเป็นเรื่องที่พระสาวกทั้งหลายได้ฟังต่อๆกันมาแล้วเล่าไว้ในคภีอัตถกถาและเรื่องที่ต้าไว้ในอัตกถานั้นพระพุทธรกิตาจารย์ก็ได้ประมวลมาแสดงไว้ ในคมภีชินาลังการะดีการเล่มนี้พระโพธิสัตว์ตัดสว่าขาดรักพระพุทธรกิจตาจารย์ไมพนานาการที่พระโพธิสัตว์เคยลุ่มหลงสตรีคู่บารมีคือพระนางพิมพ์พาในอดีตชาติอย่างถอนตัวไม่ขึ้นแล้วมาตัดใจหนีจากพระนางพิมพาในชาติสุดท้ายได้อย่างเด็ดเดียวพอสรุปเนื้อความได้ว่า ในอดีตชาติพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระเจ้ากุศราชมีพระรูปอัปปะรักษ์ได้พระนางประภาวดีพระธิดาของพระเจ้ามัท t มาเป็นมเหสีเมื่อพระนางเห็นว่าพระสวามีรูปอัปปะรักษ์จึงไม่ปรารถนาที่จะเห็นและได้ยินได้ฟังใครพูดถึงได้หนีกลับไปยังเมืองของท้าบิดาพระเจ้ากุตราร์ซึ่งเป็นพระราชาผู้เลิศในชมพุถวีตทรงสามารถจะใช้พระราชอำนาจ กับพระราชามัทเธอแล้วนําพระนางประภาวดีกลับมาเป็นหญิงรับใช้แท้พระบาทเยี่ยงนางทาสีก็ได้แต่ก็ไม่ทรงทําเช่นนั้นทรงถนอมจิตใจของพระนางประภาวดีทรงปลอมพระองค์ไปเป็นคนทําอาหารแล้วนําไปทรงให้ในวังเป็นเวลาสูงเจ็ดเดือนด้วยความเต็นใจแต่ก็ไม่ได้พบเห็นพระนางประภาวดีเลยแต่ภายหลังได้ทรงเห็นและได้พระนางประภาวดีกลับไปเป็นมเหสี เพระอนุภาพของเท้าสกตะพระเจ้ากุศราชทรงยอมลาบากทรงติดตามพระนางประภาวดีมาในชาติสุดท้ายพระนางยโสธราผู้ประเสิดรูปงดงามยิ่งกว่าพระนางประภาวดีนั้นร้อยเท่าแล้วพระมหาบุรุษคือเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะทรงทิ้งนางแก้วผู้สูงสุดอย่างนี้แล้วเสด็จจากไปได้อย่างไรในอดีตการอีกชาติหนึ่งพระโพธิสัตว์เสด็จมาจากพรมโลก สวยพระชาติเป็นพระอนิธิคันทกุมานโอรสของพระเจ้าพรารณสีพอประสูติออกมาก็ไม่ปรารถนาที่จะมองดูฟังเสียงและถูกต้องหญิงทั้งหลายครั้นมีชนสาส16ปีได้ร่วมอภิรมกับหญิงฟ้อนคนหนึ่งรู้รสของกามแล้วทรงดรัมริจะไม่ให้บุรุษตาวื่นยุ่งเกี่ยวกับสตรีทุกคนทรงต้องการเอามาเป็นของพระองค์ทั้งหมดทรงถือดาบเสด็จเี่ยวติตตามพวกบุรุษไปบนถนน พระบิดาตรัสสั่งให้เนรเทพออกไปจากพระนครพร้อมกับหญิงฟ้อนคนนั้นไปอยู่อาศัยในระหว่างภูเขาไม่ทรงทอดทิ้งหญิงนั้นไม่ทรงเชื่อคํากล่าวสอนของใครๆพาหญิงนั้นไปอยู่ในป่าในอดีตท่านไม่สามารถทอดทิ้งความยินดีในสตรีอย่างนี้บัดนี้ทรงทอดทิ้งพระนางพิมพ์พานางแก้วอย่างนี้ไปได้อย่างไรในอดีตการอีกชาติหนึ่ง พระพธิษัต์สวยพระชาติเป็นหาริตจัะ บ, บุตรของพรามผู้มีทัพสมบัติประมาณแ0ิบโกดต่อมาท่านเห็นโทษในกามจึงออกบวชเป็นฤาษีอาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์ได้บรรลุอภิญญาแล้วภายหลังมาอาศัยอยู่ในอุทยานที่กรุงพาราณสีเพื่อเสพรสเข็มรสเรี่ยวเป็นดาบทประจำราชตระกูลเมื่อพระราชาเสด็จไปปราปรจันตประเทศขณะเหาะเข้าไปยังพระราชานิเวศ เห็นพระเทวีซึ่งทอดพระเนตรเห็นตนแล้วรีบเสด็จลุกขึ้นท้าภูษาทรงหลุดเกิดความกำหนัดไม่สามารถระลึกถึงเพศบรรพชิตของตนเพราะเห็นพระวรกายที่เปลือยของพระเทวีทั้งไม่ระลึกถึงพระอาชาผู้ทรงมีอุปการะไม่คิดถึงความเสื่อมแห่งคุณของตนและไม่คิดถึงความทุกข์ในนรกจับสะหัดของพระเทวีแล้วเศษเมถุนกับพระเทวีนั้น ตั้งแต่นั้นพระดาบทได้เดินมาร่วมอภิรมกับพระเทวีเป็นประจำจนกระทั่งพระราชาเสด็จกลับมาเมื่อพระราชาทรงแนะนําให้รู้สึกตัวจึงรู้สึกตัวมาในชาติสุดท้ายพระองค์ตัดพระไถยจากสตรีคือพระนางพิมพากับสตรีบริวารสี่หมื่น 40, นางแล้วทรงเผากามกิเลตนั้นได้แล้วด้วยไฟคือพระญาณ การที่พระพธิสัตว์ทรงยอมสละพระโอรสพระธิดาและพระชายาที่ทรงรักสุดชีวิตนั้นพระองค์ได้ตรัสบอกสาเหตุไว้แล้วซึ่งพระพุทธรกิจตาจารย์ก็ได้นำมาประกอบการอธิบายด้วยดังนี้ชาลิงกันหาชินังทีตังมัทเทวิงปฏิบบตังจะชะมาโนโนะจินเ ต, เตสิงโพธิยาเยวการนา นเมเดตาอุโพปตามัดิเดวีนเดศยาสับบัญญุตังปิยังไมหังตัสมาติเยอาดาสหังเราสละพ่อชาลีและแม่กัญหาชินาผู้เป็นบุตริดาและพระนางมัศีผู้ปรนิบัสสามีไม่คิดเดือดร้อนใจเพราะเหตุแห่งพระโพธิญาณเรามิได้เกียรติชังบุตรทั้งสองมิได้เกียรติชังพระนางมั ส, สี แต่เรารักพระสัพพัญญุตยานดังนั้นเราจึงได้ให้บุตรดาและชายาผู้เป็นที่รักเรื่องนี้ต้องศึกษารายละเอียดจากเรื่องเวสันดรชาดกโดยตรงแล้วจะเห็นน้ําพระไทยของพระโพธิสัตว์เวสันดรและจะเข้าใจการที่พระเวสันดรทรงยกพระโอรสพระธิดาและพระชายาให้ผู้อื่นอันนี้ก็เป็นบทนําในคัมภีชินารังการดีกาเพื่อที่จะแนะนําให้ ได้รู้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของคมภี์ที่ท่านพระพุทธรคิตาอาจารย์ได้รจนาได้เรียบเรียงแล้วก็ได้พันณ น, นาเป็นชินารังการะดีกลานี้เพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังได้พิจารณาน้อมจิตไปในคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ขอให้มีศรัทธ า, ทาปิติตามอดเพื่ออบรมไตรจิกขาจนกระทั่งสามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานในอนาคตการในใกล้นี้ด้วยเทิดสาธุสาธุ สาธุ